นะโมตัสสะภะคะวะโต a ร a h a สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต a ร a h a สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต a r a h สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคะชามิธรรมังสระนังคะชามิ สังขังสระนงังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสระนงังคัจฉามิอิมานิปัญจสิีขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโอกาสัมปธาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย ระ ม, มาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวลังอายาจะทะสันติทะสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังต่อนี้ไปตั้งใจฟังแต่การฟังธรรมเทศนาในวันนี้แต่ถึงยังไงก็ขออภัย ทุนกมอมไว้อย่างมากด้วยเพราะอาตมาภาพเองถ้าจะวาไปแล้วก็เป็นพระป่าถอดด้ามมาทั้งดุน่นถ้าจะพูดประวัติแบบย่นยอ่อก็เป็นสัมมเนนอยู่วงหลวงปู่ล่า8ปปีอยู่ในป่าดงคงไพยไม่ได้ศึกษานักธรรมตรีโทเอกกับเขามีแต่หลวงปู่ท่านขนพระไตรพิดก มาให้ศึกษาอาตมาภา พ, พยังได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สอบนักธรรมตรีโทเอตจากนั้นมาพอมีพรรษาบวชเมื่ออายุ12ปีพอครบพระจากนั้นก็ได้บวดเป็นพระอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าหนึ่งพรรษาจากนั้นก็ได้มาอยู่กับหลวงปู่จามมหาปุญโญจากนั้นขึ้นไปอยู่กับหลวงปู่แหวนสุกินโน จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้กลับลงมาจำบัญสาวกองค์หลวงปู่จามอีกจากนั้นได้มาจำบัญสาพันษาที่หมาจำอยู่กับองหลวงตามหาบัวพศ .2512 จนถึง2525 25, อยู่ที่วัดป่าบ้านตาแถงนี้เป็นเวลา14ปีเพราะนั้นอาตมาภาพจึงถือว่าเป็นพระป่าทางรุ่น เพราะนั้นการใช้ศัพท์ใช้ภาษาจะไม่คล่องแคล่วในการจะใช้เพระนั้นอัตมภาพขออภัยกับทุนกระหม่อมและพวกทุกท่านที่ได้ฟังแนวความคิดของอัตมภาพด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะ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 จะได้แสดงพระธรรมเทศนาแต่ทุกครั้งสองครั้งที่ผ่านมาธรรมภาพได้กล่าวสังเวณิยกถาคือพี่น้องมาพบกันคือพวกเราเป็นสิทธิานุสิตองหลวงตาในมาพร้อมกันในมาพบกันก็ได้กล่าวเรื่องราวที่ได้พบได้เห็น ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็ได้มาสนทนาปรารบสู่กันฟังแต่วันนี้เป็นวันกรณีพิเศษทูลกระหม่อมได้มานั่งฟังร่วมฟังอยู่ด้วยอัตมภาพจึงได้กล่าวลักษณ ะ, ะแสดงพระธรรมเทศนาแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากระดาษเหมือนกันเพราะอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือองค์ที่อยู่วัดป่าบ้านตาแห่งนี้อาตมาภาพเคยได้ยินจน เ, เคยชินจดจำไว้ส่วนลึกของใจท่านก็บอกว่าการแสดงธรรมก็ดีการบอกกล่าวใครก็ดีต้องดูตัวเองซะก่อนถ้าหากว่าเราไปดูแต่คนอื่นเขาเหมือนกระท้องบุ่งหรือกระดาษทราย ไปขัดแต่คนอื่นเขาตัวเองไม่ขัดคลุกคลาไปหมดอันนี้ก็คือคำพูดขององค์หลวงตาแนะนำสั่งสอนคณะสิจานุสิ์อัตมภาพจึงฟังดูแล้วก็ซึ้งในจิตใจเพราะนั้นที่จะบอกกล่าวคณะสัทธา ญ, ญาจโยมก็ดูตัวเองเหมือนกันว่าควรจะกล่าวมากน้อยอย่างไรแค่ไหนถ้าว่าไม่บอกไม่กล่าวไม่แนะนำสั่งสอนเชเลย ก็ไม่รู้พวกน้องๆที่เกิดหมาใหญ่ทีหลังจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องแต่วันนี้อรรมาภาพจะขอแนะนำเริ่มต้นคือสอนกอไก่กอไก่ขอไข่ตีองค์หลวงตาสมัยก่อนที่เข้ามาศึกษาหรือไปศึกษากับองค์หลวงปู่ล่าท่านก็จะแนะนำเบื้องต้นแต่พอท่านอายุมากแล้วท่านจะไม่สอน แต่เน้นเรื่องภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเรื่องต่อสู้กับกิเลสแต่ว่าเริ่มต้นวิธีการจะปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติอย่างไรโดยมากท่านเมื่อมีอายุแล้วท่านจะไม่ค่อยเรียนแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจะแนะนําสั่งสอนลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังว่าวิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรอย่าง อันดับแรกเมื่อเราเข้ามากราบไหว้ครูบาอาจารย์มีแต่ท่านสอนว่าให้ทานนะรักษาศีล น, นะภาวนานะแต่ให้ทานพวกเราก็พอจะรู้เรื่องเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราเป็นผู้พานำเสียสละตักบาตรถาวายเจตุปัจจัยอันนี้คือการให้ทานแต่ว่าทานคำนี้มีหลายอย่างถ้าเราแยกแยกออกไปแล้ว อันนั้นคือเราให้ทานอย่งงางนั้นเียวาอามิษฐทานให้ทานอามิษฐยให้อภัยทานเมื่อใครมาล่วงเกินเราเราก็พร้อมที่จะให้อโหสิแกเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองอันนี้เรียกว่าอภัยทานวิทยาทานก็คือการให้ความรู้ความฉลาดที่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจที่เขาไม่รอบคอบ ก, กว่าเราเรารู้เราก็ให้เป็นวิทยาทานแนะนาสั่งสอนเขา การให้ทานก็มีหลายระดับส่วนรักษาศินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้ามาหาพระสงฆ์ท่านก็จะแนะนําเรื่องสินห้าสำหรับฆราวาสญาติโยมคือทำไมจึงให้รักษาศินเพราะว่าคนที่ไม่มีศินเป็นคนไปไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าหาว่าคนมีศินแล้วไปที่ไหนอยู่ด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ศินห้าประการที่ถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบเข้ามาแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่อยากจะได้รับความทุกข์อย่างนั้นเราก็ไม่ควรทำทุกข์ให้คนอื่นเขาแต่ถ้าว่าเขามาทำโทษให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าเปรียบเทียบตัวหัวใจในสินของพระพุทธเจา้ามีอยู่สองเท่านี้คือเมื่อเราไปฆ่าเขา เขามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพี่น้องวงศานาญาตทของเราเรามีความรู้สึกอย่างไงอันนี้พระโพธิเกลียวบัญญัติศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาขโมยเราเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็ให้พวกเรานึกดูว่าเรามีความทุกข์ขนาดไหนเมื่อเขามาขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปเรียกฆ่าทายอย่างเนี้ย ถ้าเราไปทําให้แกเขาล่ะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันอันนี้คือศี่ข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิทสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาขอกรรักสังวนของหวงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ําเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ําเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีถ้าว่าเราโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจ ถ้าว่าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ก็พวกเราให้สังเกตดูถ้าผู้ใดก็ท่านผู้ใดก็ตามชอบโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขานั่นะคนนั้นให้เราจับตามองว่าเขาจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้น ก็สินข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมา ก, การดื่มสุราของมืนเมากัญชายาอินเอโรอินยาบวงยาบ้ามากมายทุกวันนี้ทั้งว่าเราเสพเราดื่มเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะคนเมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วมันเมาเราจะเสพเพื่ออะไรเสพเพื่อทําไมอันนี้ก็ให้มีให้รอบคอบกับตนเอง สิ่งไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์เราจะไปทําทำใหมถ้าว่าเราเสียเราดื่มเข้าไปแล้วเมื่อขาดจิตแล้วทําความชั่วในทุกอย่างศินข้อที่หนึ่งฆ่าใครก็ได้ข้อที่สองขโมยใครก็ได้ข้อที่สามาหลาดด่ล่วงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้ข้อที่สโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้พวกคนขาดติอันนี้คือศินของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา อันนี้คือศีลร่วนส่วนสมาธิที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านจะเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากเรื่องการภาวนาทํำยังไงแต่พวกเราเป็นครวญญาติโยมอย่างเนี้ยเราจะทํำยังไงถ้าว่าพวกเราถ้าว่ามีความตั้งใจอยากจะปฏิบัติอันดับแรกเราควรจะ ไหว้พระกราบพระซะก่อนอย่างพวกเรากราบเมื่อกี้เนะี่ยไหว้พระเมื่อกี้เนะี่ยแต่เราไดา้ไม่ได้มากขนาดนี้เราได้แต่ละอาลังสวาขาโตสุปฏิปัโนนมโมตัสสะพุทธทงทังธรรมังสั ง, ง, สาางขังสระนังคัชามิเพียงแค่นี้ก็พอจากนั้นก็ให้นึกในใจแผ่เมตตาซ้าท้ายอหังสุกิโตโภวินิตุโคโภมีอเวโรโภวิอปยาปะชนอันนี้เราสวดไม่ได้ เรานึกเป็นภาษาใจของเราว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอยากที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเถิดคือเราตั้งใจอย่างนั้นอันนี้คือแผ่เมตตาครอบจักรวาลเขาเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็มีความต้องการความสุขอย่างเราเพราะนั้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือ เราแผ่เมตตาในจิตใจของเราจากนั้นเมื่อไหว้พระ เ, เ, เสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เราก็ต้องหามุมสงบในขณะที่เราจะนั่งไม่ควรจะมีเสียงวิทยุโทรทัศน์เสียงโทรศัพท์ปิดหมดถ้าเราจะนั่งภาวนาถ้าหากว่าเราจะนั่งภาวนาใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราควรจะปิดเครื่อง อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่มันจะรบกวนเราเราปิดเสร็จแล้วเราก็ไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาอาจารมภาพบอกว่าถ้าถ้าจะจนคงไม่จนเพียง30นาทีถ้าไม่รวยก็คงจะไม่รวยในระยะที่30นาทีจุดนี้เป็นจุดที่เราภาวนาหากําลังเข้าสู่จิตใจเราพักปอดให้ใจพักพ่อนในระยะ30นาทีนี้จากนั้นเราก็ หาหมุมสงบไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วกว็นั่งขัดสมาธินั่งเหมือนพระประธานนั่งเหมือนพระพุทธรูปขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วนั่งปน ม, มือระหว่างอกถือไหว้ครูซะก่อนแต่ถ้าว่าเรานั่งเก้าอี้ก็ได้หรือนั่งโซฟาก็ได้แต่ถ้าว่าตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําท่านบ่อให้นั่งกับพื้นอย่าไปพิง เสาอย่าไปปิงฟ้าอีกต่างหากถ้าไปพิงพิงฝ้าถึงเสามันจะเคยชินมันจะหลับท่านมาให้นั่งถ้าเป็นไปได้ให้นั่งอยู่กลางแจ้งซะก่อนให้ย่างอยู่กลางจตฐานที่จากนั้นก็พอนั่งนั่งเสร็จแล้วเราประนมมือขึ้นขึ้นในระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนคือพุทโท ธรรมโมสังโฆพุทโฆธรรมโมสังโฆพุทโฆธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราให้บรญิกรรมว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นกิญญานอื่นขาขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา คือความหมายความหมายในการบริกรรมว่าข้าเปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนั้นคือความหมายอย่างนั้นแต่ว่าข้าเปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขบริกรรมไปชั่วระยะหนึ่งคือเขาแบบทจิตใจให้ของเราให้อ่อนอ่อนโยนไม่ให้มีถือโทษโกรธเครืองกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลไม่ให้ถือโทษโกรธเครืองกับชีวิตหรือวิ ญ, ญญาณไหนทั้งหมดเราให้อาภัยในขณะนั้น คือทำใจให้ปล่อยวางทำใจให้ว่างจากนั้นก็เราภาวนาไปบริกรรมไปช่วงขณะหนึ่งจากนั้นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทรแต่บางท่านบางคนไม่เคยภาวนา เ, เ, เราก็จับลมไม่ได้ไม่รู้ว่าลมเข้ารลมออกเวลาไหนเราก็ไม่รู้อันนี้เราต้อง เวลาหายใจทดลองดูหายใจแรงๆดูหายใจสืบหายใจแรงๆดูแล้วก็กระแทกหายใจแรงๆออกมาดูจากนั้นเราจะจับได้ว่ากระลมกระทบที่ไหนโรลมกระทบที่ปลายจมกูกเราบริกรรมว่าหายใจกับพดหายใจออกบริกรรมว่าโทรพดโทรพดโทถ้าจะอุปมาให้ฟังอุปไมให้ฟังก็เหมือนกับ เรายืนอยู่ข้างประตูเวลา <of problème> คนเดินเข้ามาในศาลาเราไม่ต้องเดินตามเข้ามาศาลาเวลาเดินออกไปเราไม่ต้องเดินตามออกนอกศาลาเรายืนอยู่ข้างบันไดเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าเราไม่ต้องตามเข้าไปถึงท้องเวลาหายใจออกเราไม่ต้องตามไปถึงอากาศเพียง <mercial> <forbid> แต่ว่าหายใจเข้าผ่านจมูกเราก็บริกรรมว่าพุทธ หายใจออกไปกระบริกรรว่าโทพุทโทพุทโทแต่ว่าผู้เริ่มใหม่จิตใจมันจะวอกแวกเดี๋ยวมันก็ได้จับอยู่หน่อยหนึ่งก็หายไปบางทีก็ได้นานบางทีก็ไม่ได้นานอันนี้เป็นธรรมดาในการฝึกหัดใหม่แต่ถึงยังไงเรามีความพยายามมีความตั้งใจอีกอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องอยู่นิ่งนาน จากนั้นเราก็บริกรรมพุทโธถ้ามันมันออกไปถ้าว่าจิตใจมันยังออกบ่อยมันเผลอบ่อยเราให้บริกรรมสามทัพบอกพุทโธพุทโธพุทธโถพุทธโถคือให้ใจของเราบริกรรมให้ใจของเราพูดให้ใจของเราบริกรรมพุทธโถไม่ให้ออกปากไม่ให้ออกมีเสียงให้ใจว่าพุทโธพุทโธพุทโถพุทโถในใจคือไม่ให้มันมีช่องว่างเลยที่จะทําให้จิตใจุดออกไป เป็นทางอื่นอันนี้ก็คือการภาวนาเพราะนนกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้จังมีกรรมฐานทั้ง40อย่างที่จะผูกจิตใจให้ได้รับความสงบเนี่ยมีกรรมฐาน40แต่วันนี้อัจมภาพจะแนะนําเพียง3 3กรรมฐานคือกรรมฐานหนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกรรมฐานที่สองก็คือให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้ถี่ยิบ กรรมฐานที่3ามเลยก็คือให้เรานับหายใจเข้านับ1 ห, หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4นับถึง100ถ้าวิ่งไม่เผลอแสดงว่าใจิตใจของเราอยู่ในความสงบประมาณ1 น, นาทีหน่นาทีถ้ามันเผลอบ่อยไม่เป็นผลดีสำหรับเรา เ, เพราะว่าคนทักขาดจิติมากๆขาดจิติบ่อย ขนาดนับถึงร้อยก็ยังขาดะติตหลายครั้งอันนั้นไม่น่าไว้ใจเนี่ยเพราะนั้นให้พวกเรากำหนดดูหายใจเข้านับ1 ห, หายใจออกนับสองถ้ามันจะขาดที่มันจะขาดไปคือเราสังเกตว่าหายใจเข้าเรานับ1นนะ่เป็นเลขขี่เวลาหายใจออกเป็นเลขคู่คือเลขสองหายใจเข้าเป็นเลขขี่สาหายใจออกเลขคู่4หายใจเข้า เลข 5, ห้าจายจออกเลขหถ้าว่ามันจะเผลอมันจะมันจะหลุดไปเนี่ยมันจะเบอร์เบอเบอพอเบอร์เสร็จแล้วหายใจเข้ามันจะเป็นเลข8หายใจออกมันจะเป็นเลขเก้าแปลว่าสติของเราขาดแล้วช่วงนั้นให้เรากลับมาใหม่อีกให้ตั้งสติให้แคบแข็งขึ้นมาอีกวิธีการปฏิบัติแล้วก็นับไปอีกถ้าว่านับไม่เผลอ สัก3ามสี่ห้าครั้งจากนั้นเราจะค่อยปล่อยวางและจงบริกรรมพทรุพโทโธพุทโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธต่อไปอันนี้ลรคือวิธีการปฏิบัติมีหลายอย่างและทีน่นี้เมื่อเราภาวนาไปแล้วจะเป็นอย่างไรผลแห่งการปฏิบัติในเมื่อพวกเรามีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะคือความรู้ตัว ในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดใจของเรามันจะไม่มันจะไปออกไปข้างนอกใจมันจะอยู่นิ่งพออยู่นิ่งกับกรรมฐานที่เราให้ยึดอยู่ตรงไหนยิดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะอยู่ที่นั่นพอจากนั้นจิตมันจะรวมเข้าสู่ความสงบอันดับแรก <Yeah. S 1> จิตบางท่านมันอาจจะมีแปกหลายหลายอย่างในวิธีการจิตสงบบางทีก็เหมือน เขวตกบอกก็มีบางทีมันก็วูบวากก็มีแต่ถึงยังไงขณะที่บางคนไม่เคยจิตสงกพอจิตรวมวัดเพียงครั้งเดียวมันรู้สึกมันเย็นมันเย็นผิดปกติเหมือนกับจะว่าเผลอก็ใช่จะว่านอนหลับก็ใช่จะว่ามันบอกไม่ถูกในช่วงนั้นในขณะที่มันเป็นในช่วงนั้นแต่ว่าเรามีสติอยู่อันนี้แปลว่าจิตเย็นสบายในช่วงขณะหนึ่ง อันนี้เราว่าคณิกะสมาธิาแปลว่าเริ่มเห็นผลแล้วเริ่มเห็นผลของสมาธิแล้วอันนี้บอกคณิกะสมาธาิแต่เราพยายามดูใจแต่มันแต่บางคนพอภาวนาไปแล้วมันมีจิตสงบอย่างนั้นก็พยายามอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกอันนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรจะเอาเรื่องเก่ามาคิดมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเอาเรื่องใหม่มามันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องคิดมัน หลังจากนั้นเราก็บวนินกรรมภาวนาของเราไปเรื่อยจากนั้นถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่ใจของเราก็จะจะเห็นอสติของเราจะจับจับตัวผู้รู้จับตัวผู้รู้คือความรู้สึกของเราอยู่ถึงพ อ, อ, อจิตรวมพอรวมเพราะว่าจิตอยู่ก็ใช่จิตรวมก็ใช่เพราะจิตมันไม่ปุ๊กไม่ฟุ้งไม่สานจิตอยู่กับตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่น มีความรู้สึกอยู่ในตัวอยู่ตลอดขณะนี้เราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรจะใจของเราอยู่กับตัวเองตลอดอันนี้ว่าจิตที่เป็นอุปจารสมาธิจิตประเภทนี้พร้อมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาที่ปัจจนาได้แต่ถ้าว่าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่กำหนดดูที่จุดที่มันรู้รู้อยู่เรารู้เราได้ยินเสียง เสียงอะไรมาได้ยินแต่ใจของเราไม่ส่งออกแต่ตาของเราหลับอยู่แล้วแต่หูได้ยินว่าเสียงอะไรแต่ใจไม่ส่งออกตามเสียงมันจะเพียงแต่รู้จกักสับแต่สับแต่ว่ารู้รู้แต่สับแต่ว่ารู้มันอยู่ในตัวของเราเมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้แปลว่าจิตเพชรที่เป็นอุปจารสมาธิถ้าว่าจิตดิ่งลงไปกว่านั้นอีกอรวมเข้าไปสู่ความสงบจิตเป็นหนึ่งเดียวก็เรียกว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ จิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นันั้ น, น, นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันั้ น, น, นเป็นหนึ่งเดียวจะไม่รับรู้เรื่องของกายเสียงอะไรก็ตามจะเป็นเสียงอะไรก็ตามไม่ได้ยินทั้งหมดว่าเรานั่งอยู่ในสถานที่ใดไม่ได้กำหนดที่ทั้งหมดมีแต่จิตสติกับจิตเป็ น, นหนึ่งอันเดียวกันอันนี้จิตนิ่ง จิตกับกายเป็นคนละอ่านกันรู้ชัดด้วยตนเองอันนี้คือจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิจากนั้นบางท่านขอรวมอยู่นานเป็นชั่วโมงก็มีสามสิบนาทีก็มี5นาทีสินาทีสุดแท้แต่กำลังสมาธิของแต่ละท่านจากนั้นจิตของเราก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเรเป็นจิตเป็นอุปจารสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจุดนี้หละ ที่ท่านบอกไว้ว่าเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่อันไหน้ตายอันไหนเกิดจะรู้ได้ด้วยตนเองที่จิตรวงกข้ไปสู่ความสงบจะรู้จะรู้ชัดด้วยตนเองว่าร่างการนี้แต่ตายสลายแน่แต่นามธรรมาคือจิตใจตัวเด่นๆนั่ น, น, นตัวนั่นคือจิตวิญญาณตัวใจวนั้นไม่ตายจะต้องไปปฏิสนธิ ที่อื่นอีกเห็นได้ชัดร่างกายเหมือนกับรถ ด, ดวงวิญญาณในใจตรงนั้นเหมือนกับคนขับรถเป็นมันแยกออกจากกันได้ชัดเจนในขณะที่จิตเป็นอัปปนาสมาธิเพราะนั้นเรื่องสมาธิจากนั้นเราก็ถอนขึ้นมาพอมันถอนขึ้นมาแต่เราจะทำสมาธิอย่างนั้นได้ทุกครั้งไหมนานๆจะได้เป็นจะได้จิตสงบอย่างนั้นได้ครั้งหนึ่ง แต่ว่าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้เราก็ไม่ไม่ต้องใส่ใจได้ก็ดีก็ได้เราจะ ร, รู้ว่าได้ริมรถแองอัปปนาสมาธิคํำที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไปว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเออจิตสงบที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนนี้มีความสุขจริงๆ เพราะมันปล่อยวางจริงๆในขณะนั้นอันนี้ก็คือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิได้เพียงสามขั้นเท่านี้คณิกาอุปจาระอัปปนามีเพียงสามจากนั้นก่อนจิตขอ ง, รองขอเราพ อ, อภาวนาแต่าจากนั้นก็มีแต่สงบแล้วก็ขึ้นมาแล้วเดินอย่างไรอีกจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าให้เดินวิปัสสนา อันนั้นคือสมัทถถที่พูดมานั้นคือสมาธินนคือสมถถัทธส่วนวิปัสสนาเนี่ยเดินอย่างไรท่านว่าให้เดินเดินวิปัสสนานี่ยคือให้บางท่านอย่างองค์หลวงตาของเราท่านว่าท่านติดสมาธิอยู่หลายปีพอจิตเข้าไปสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขจะให้ออกทางวิปัสสนาเดินวิปัสสนาไม่ยอมออกแต่กาบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่า น, นได้ กนาบลุงตามหมาบัววะก็ผมภาวนาจิตสงบนิ่งทั้งวันทั้งคืนก็ได้เอียหลวงปู่มั่นก็บอกว่านั่นแหละจิตที่ติดสมาธินั่น่ะเอเหมือนกับเนื้ออยู่ในฟันของเราเท่านั้นเองรถของมันเพียงแค่นั้นเรื่องจิตของเป็นที่เป็นสมาธิแต่หลวงตาท่านก็ฟังฟังจากนั้นหลวงปู่มั่นกับกันนาในหลวงตามหมาบัวพิจารณา ดวงตาของเราก็ได้นํามาพิจารณาในเมื่อพิจารณามันออกเนมันออกตะลิดเปิดเปิงจนเอกจนเอาไม่อยู่คือบางทีเวลาจิตเราพิจารณาออกไปแล้วมันเห็นเห็นคุณค่าในการพิจารณาจิตใจมันจะตะลิดเปิดเปิงเนีมันพิจารณาโ อ, อ้มันไม่กลับไม่นอนเลยหลวงปู่มั่นก็กระหน่ำอีกท่านบอกว่านะแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นเพื่จิตเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นเหียให้ทุกเกิด มันไม่พอดีคือทิทางที่พอดีเวลาเราจะให้เป็นสมาธิเวลาให้พักผ่อนแล้วก็ให้พักผ่อนเวลาให้พิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ควรจะพักผ่อนเมื่อพักผ่อนเสร็จแล้วให้พิจารณาอย่าพักผ่อนนานจนเกินไปถ้าพักผ่อนนานเกินไปเสียเวลาถ้าพิจารณามากจนเกินไปก็ทําให้เหมื่อยลา้าจนเบลอไปหมด พิจารณาไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านเยวการทําวิปัสสนาเนี่ท่านทํำยังไงท่านบอกว่าให้พิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ่งกระดูกให้แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายที่พวกเราสวดอะยังโคเมกายโยเมกี้เนี่นี่แหละคือการแยกทังวิปัสสนาให้แยกแยะร่างกายผมเป็นส่วนหนึ่งขนเป็นส่วนหนึ่งเล็บเป็นส่วนหนึ่งฟันเป็นส่วนหนึ่ง เนื้อเป็นจุนหนังเป็นส่วนหนึ่งกระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วออกมาเป็นกองกองดูซิร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงคือธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายถึงร่างกายของเราถึงจะทันุถนอม เลี้ยงดูดีขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องแตกจะต้องสลายในที่สุดไม่มีที่ไม่เราจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนผ้านุ่ห่มดีขนาดไหนที่อยู่ดีขนาดไหนร่างกายของเราก็จะเป็นอ่นอยู่เสมอแต่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้คือแยกแยะตามวิปัสสนาจากนั้นใจของเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะเกิดความ ไม่ยึดมันที่มันว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งใจของใจของเราไปหลงไปหลงร่างกายในเมื่อหลงร่างกายแล้วก็หลงส่วนอื่นไปด้วยหลงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญ า, าติโกโหติก า, าทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือเราหลงหลงร่างกายแต่ถ้าว่าไม่หลงร่างกายสิ่งอื่นมันก็ไม่หลงไปด้วย จากนั้นเราก็พิจารณาดูใจของเราใจของเราเป็นหลงอะไรในหลงร่างกายในถึงเราจะให้ความสำคัญขนาดไหนร่างกายของเราก็เป็นอื่นอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลลี่ยนพ้นไปได้จากนั้นใจของเราก็รู้อยู่ในใจเมื่อยุบรู้อยู่ในใจใจรู้ใจใจเห็นใจใจเบื่อหน่ายคลายใจไม่ ยึดมั่นถือมั่นใจเกิดความนิสิทาคือความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจใจก็ปล่อยวางความว่าปล่อยวางความนี้แหละคือเป็นผู้เป็นที่รู้จริจรงเห็นจริงเพราะไม่มีสาระอะไรที่จะไปยึดสิ่งภายนอกเหล่านั้นจากนั้นใจของเรากะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือสรุปแล้วก็คือใจของเราตะก่อนใจของเราเหมือนกับเราเรียนหนังสือ แต่ก่อนเราเรียนหนังสือเราไม่ได้เรียนกไก่ A B C D เราไม่รู้แต่ป่านนี้เราได้เรียนเรารู้เนี่ยตัวหนังสือเหล่านั้นแล้วก็ขยายผลได้อีกต่างหากและความโง่มันก็หายไปที่ความไม่รู้มันก็หายไปนี่ก็เหมือนกันเมื่อเรายังไม่รู้ เ, เราจังติดข้องอยู่ตัววิชามันจะครอบคุมอยู่แต่เมื่อเรารู้แล้ว อาวิชาที่ความไม่รู้มันกระหมดไปนี่แหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้พวกเราคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้ทดลองทดสอบดูการภาวนาและการปฏิบัติไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างเดียวเป็นหน้าที่ของคณะัตหายาตรยมทุกหมู่ทุกเราด้วยแต่ว่าพวกเราภาวนาทาจิตใจให้สงบมาอยู่เสมอ ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นจะเป็นผู้ไม่หลงไม่ร่มหลงมัวเมาและอีกต่อไปก็ถ้าว่าเราไม่ได้ภาวนาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นทุกข์เข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางแต่ถ้าว่าเราได้ภาวนา ได้กำหนดหรือได้พิจารณาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พิจบอกไปแล้วจิตใจของเราจะไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ท้าว่าพวกเราไม่ได้ฝึกหัดเรื่องจิตภาวนาต่อไปภายภาคหน้าเมื่อแก่เท่าชะลาเข้ามาแล้วพวกเราจะเป็นทุกข์เพราะเหตุใดเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะ เป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าเราเปรียบเทียบคนเก่าๆอนก่อ น, น, นปู่ย่าตายายของพวกเรากับพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้เห็นอยู่แล้วร่างกายมันเป็นยังไงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจสังสมคุณงามความดีเอาเข้าสู่จิตใจของพวกเราเอาไว้ตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงอยากเมืดวานก่อนอธตมภาพได้ปาลบว่างเออหลวงพ่อจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องโกเหลียงคือโยมโกเหลียงเนี่ยจกคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์ที่เป็นเพื่อนขวงหลวงปู่มั่นท่านขึ้นไปจำพรรษาทางวัดเจดีหลวงเชียงใหม่ท่านก็ล่องแพขึ้นไปตามแม่น้าเจ้าพยาแต่สมัยนั้นยังไม่มีทางรถ รถไฟรถอะไรยังไม่สะดวกจากนั้นท่านก็ไปถึงนครสวรรค์ปากน้ําโพตามประวัติของท่านนะอันนี้เป็นนิทานสดแนตะ่ไม่ใช่มาไม่ใช่มาในพระไตรปิฎกแนตะ่ท่านก็ไปสร้างวัดอยู่ที่นั่นจากนั้นคณะสัทธา ย, ยาโยมท่านก็เป็นนักเทศอบรมสั่งสอนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ปากน้าโพจากนั้นก็มีอุบาสิกา แต่คนหนึ่งไปเขารับนับถือไปกับหมู่กับเพื่อนนะจากนั้นเขาครอบครัวเขาเป็นผู้มีฐานะนดีแต่สามีของเขาเป็นคนจีนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่แต่เขาก็เป็นผู้หมั่นขยันคนจีนก็หมั่นขยันอยู่แล้วแต่เป็นผู้รับเหมาแล้วก็เป็นเลี้ยงพวกหมูอีกในบ้านแต่พัญญาเขาไม่ได้สนใจหรอกก็ทํางานแม่บ้านไปวัดทุกวัน ปัญพระก็ไปรักษาเสียงทุกวันแต่สามีไม่ได้สนใจก็ไม่ห่างาสามีก็ทําหน้าที่ของสามีไปปัญญาก็ทำหน้าที่ช่วยกันประคับประคองคนและอย่างพอต่อมาวันหนึ่งกลัวเลี้ยงไปทํางานเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาอุ้วันนี้รู้สึกพร้อนเราก็เลยเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําแต่ในห้องน้ําก็คงเป็นตุ่มเป็นตุ่มราดกุเรเนี่ยอยู่ในห้อง พอเข้าไปแล้วหายเงียบไปทางแม่บ้านเอ็งทําไมพ่อบ้านทําไมหายเงียบไปก็เลยไปมองวองดูไปที่ไหนได้เป็นลมนอนพิงโอ่งน้ําจากนั้นก็ร้องเรียกรุกๆมาช่วยกันพอออกมาถึงกลางแต่มาถึงลานกลางบ้านเพ่อเองก็ให้เขานอนอยู่พอนอนเสร็จแล้วไม่รู้จะทําย่งไรวิ่งไปหาหมอไปหาหมอใน ชนนบดเท่าที่จะมีในยุคสมัยนั้นคือตามไม่จริงทุกแขกคนเขาต้องมีหมอประจำหมู่บ้านของเขาอยู่แล้วจะเป็นหมอฝนยาจะเป็นหมอโดมยาจะเป็นหมออะไรเขาต้องมีในหมู่บ้านคือเจ๋งกว่าเพื่อนเขาก็วิ่งไปหาคนนั้นคนนั้นก็วิ่งออกมาพอวิ่งเขามามากมดไม่รู้จะทำยังไงผลชุนก็เลยได้ใส่หีโงงเอาไว้ทีนี่แต่เขาก็ไม่ได้ปิดผ้าเพา่อโตัยังอ่อนอ ่โกเหลียงตายแล้วยังอ่อนอยู่ทีนี้ก็มาพูดถึงโกเหลียงเนะี้บอกว่าเมื่อเขาตายไปแล้วนะ่ะพอออกจากร่างไปแล้วมีคนสองคนเหมือนทหารนะมาล็อกเอาแขนของเขาทั้งสองข้างาไปเขาบอกว่าเขาพยายามดิ้นเท่าไหร่ไม่หุดเหมือนกับเราเป็นเด็กเขาเป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นนะ่ะกําลังของเขาเหลือล้อนเลย แล็อกสองข้างจากนั้นก็ไปพอไปเดินผ่านไปไอ้พวกที่ไปหาหมอนะ่ยไปเรียกหมอหมอชาวบ้านมาเดินผ่านมาพอเดินผ่านมาโกเลียงก็เร็วช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเขาจับผมโกเหลียงหมอคนนั้นไม่ได้ยิงเดินผ่านไปโอ้มันใครจะช่วยเรานะี่ยจากนั้นเขาก็พาไปเลยพอไปถึงกลางทางใหญ่ เขาก็เลยนำเข้าไปพอไปถึงพอไปถึงที่ของเขามันเป็นศาลาใหญ่หลังหนึ่งอยู่ในลานหญ้าใหญ่ลานหญ้าใหญ่เ่มันเป็นสนามหญ้าจากนั้นเขาเห็นคนนั่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจานี้โกเลี้ยงเนี่ยก็พอไปถึงเท่านั้นกาอ้าไปโกเลี้ยงไปไปที่ไหนแต่คอยฟังนะถ้าเขาประกาศขึ้นมาแล้วย่งคอยมานะ เนี่ยขาจะประกาศที่ซาลาใหญ่ลังนี้แหละเขาจะเรียกชื่อนะให้ขึ้นมานะไอ้คนสองทหารสองคนเขาบอกไปโกเลี้ยงก็ไปโกเลี้ยงก็เดินโตโตเต๋ไปไปไปเห็นคนทายกของวัดที่ตายไปที่รู้จักมักคุ้นกันไปก็ไปเห็นเขากําลังนั่งโบงกันหกเจคนในโตโกเลี้ยงก็เลยบอกว่าโอ้เหมือนเหมือนกับพูดเรียบเรียบเคียงเคียงเหมือนอนแต่อ้ายอยู่ในใจ บอกว่าผมว่าอยากอยากอยา ก, อยากจะกินข้าวแล้วเกินหิวน้ำแล้วเกินแล้วก็ว่าจะขอขอทานด้วยได้ไหมแต่ทายกคนนั้นกลัวเหรียญก็มั่นใจเราเอ๊ะเราก็ไปเผาศพของเขามาบัดปจะแสดงว่าเขาตายแต่เราคงจะตายแล้วก็มังในคิดในใจเหมือนกันเอี่เราเขาตายไปแล้วนะเราคงจะตายเหมือนกับเขาก็มังเนี่ยเน่ก็เลย ไปขอกินข้าวกับเขาทายกคนนั้นบอกว่าอันนี้เป็นมันเป็นเมืองผีนะมันเป็นเมืองมันเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะไม่ใช่เมืองมนุษย์นะถ้าเป็นเมืองมนุษย์เราขอกินกันได้แต่เมืองนี้มันขอกินกันไม่ได้มันเป็นผนขของใครของเราถ้ า, ถ, าถ้าใครทำกรรมอันไหนไว้คนนั้นจะได้รับผลกรรมนั้นผลบุญนั้นผลกุศลอันนั้น แต่อันนี้ก็ไม่ว่าถ้ากัวเหลียงอยากจะกินก็กินได้แต่มันกินไม่ได้นะมันไม่ใช่ของกัวเหลียงแต่กัวเหลียงก็โอ้เธอยังไงก็ข อ, อกินเถอะครับมันหิวเหลือเกิ น, นพอไปจับอพอไปจับแก้วน้ำเท่านั้นน่ะมันร้อนอยิ่งทนันมันร้อนเหมือนกระถานไฟน่กัวเหลียงก็รีบวาง ท, างทันทีโอ้กินไม่ได้แล้วจะไปตักอาหารก็ไปไหนจับช้อนก็ร้อนไปหมดมันไม่ใช่ของตัวเองแต่นี่พวกนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย ไปดูที่เนี่ยของคุณน่ะของโกโัวเลียงอยู่นั่นโกเลียงเลยไปดูดูไปดูดูดัวเลยียงบอกว่าในในเขาเขียนในในตำราเล่มนั้นนะเขาเขียนในตำราเล่มนั้นนะโกเลยียงไปดูไปเห็นแต่กระ ด, ดาษเงินกระดาษทองเหมั้นน่ะพอไปเห็นกระดาษเงินกระดาษโอ้อันอนี้กินไม่ได้นะโกเหลยียงว่ะเลยกลับมามัจะมานั่งจากนั้นเขากนเรียกว่าโกเลยียงขึ้นมานายักเลียงขึ้นมา พอกลเลี้ยงก็ขึ้นไปในศาลาใหญ่โอ้เห็นโยมมาทูดนะน่ากลัวมากเมื่อกีอ้มีอํานาจจริงๆไม่เคยเห็นใครที่จะมีอํานาจอ ย, าอย่างขนาดนั้นมองหน้าไม่ได้เลยจะต้องก้มหน้าทุกคนเวลาขึ้นไปอย่างน้นจากนั้นก็บอกกับเขาก็เปิด เ, เปิดแฟ้มพ่อเปิดเปิดเปิดไปดชื่อว่าอย่างไงชื่อว่านายกลัวเลี้ยงนำสกุลอะไรด้านบน พอจากนั้นมาเขาบอกว่าเอ้ยเอาคนมาผิดจะแล้วเหมัอนน่ะเออบอกแต่ยงมาะทูบอเออเอาคนมาผิดจะแล้วนี่เอากลับไปส่งเดี๋ยวนี้พอว่าทั้งนั้นสองคนกับล็อกลักแร้แลยเงนินพาออกมาจากที่นั่นเลยตูวปัตตุเป๋ตัวลักตัวเล่ตัวลักตัวเล่ตัวลั ก, ก, กพอมาเห็นกลางท้องนาวเหอะกลัวเหลี่ยงงมาเห็นการท้องนาย คอยสุดลูกหูลูกตาแต่เป็นเป็นทายทั้งหมดตอนนัม้มีโครงมีโครควายตัวหนึ่งมีควายตัวหนึ่งมันตายแล้วหนังมันยังรองพื้นอยู่แล้วชี้โคมันยังมันยังชี้โดขึ้นมาข้างบนแต่น้ํามันขังอยู่ในในหนังหนังควายที่นั้นอ่ะอยู่ข้างล่างแต่หนังเตมน้ําน้ํามันยังขังพอโวเลี้ยงเดินผ่านมาเห็นน้ําอยู่จุดนั้นขนาดน้ำสกรปรกขนาดนั้นนะมันหิวใจจะขาด บอกว่าโอ้ยผมขอกินน้ำ ด, ด้วยเถอครับท่านผมขอกิด น, น้ำ ด, ด้วยเถอครับผิวน้ำเหลือเกินเหมือนเธอจะกินน้ำเลยเปล่า เ, เขาก็เลยผักผักหัวลงไปแล้วเงี่ยผักกลัวเหรียญเข้าไปเลยพอผักเข้าไปกลายหายเงียบไปเหมือนกันจากนั้นเขาก็หายไปเนี่ยตัวเองก็ดูในเข้าไปในโครงกระดูกนั่ะไม่รู้ว่าโครงกระดูกไหนมีห่หายเงียบไปจากนั้นก็พี่น้อง เขาตายตั้งแต่บ่ายสองโมงเมื่อวานเนี่จนถึงวันรุ่งขึ้นเลี้ยงพระเสร็จ เ, เลี้ยงพระเสร็จพอเลี้ยงพระเสร็จแล้ว เ, เขาผสมผ้าออกจากบ้านแต่เขาดีนะเขาไม่ปิดไม่ตีเขาไม่ได้สีฟโฟมมาเลนอย่างทุกวั น, นเขาก็ไม่ได้ปิดผ้ามันตัวยังอ่อนอยู่จากนั้นเขามีแต่เขามัดตราสัง่งมัดขากละมัดแ ข, น, ขนเอาไว้แต่ก็อาผ้าขาวปิดเอาไว้แต่เอาผ้า ผ้าขาวปิดโลงเอาไว้จากนั้นพอพระลงไปแล้วพวกพี่น้องก็เลี้ยงอาหารกันอะไรอย่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแขกกันแตพอเลี้ยงแขกกันกลัวเลี้ยงก็อยู่ข้างในฟื้นขึ้นมาเลพอฟื้นขึ้นมาเลยเอ๊เราอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมอยู่แคบขนาดเต็มอะอากนั้นก็เอาสอกกระทุ n g ฝาโลงกระทุ n g ข้างโลงอะไรกระทุ้งห้างข้างยิบศพนลยก็ยังมีกำลังอยู่แะกระทุ n g ตุกตๆก ไอ้พวกที่พวกคอเล่าทั้งหลายพอได้ยินได้นั้นแหละเออเอาอะไรเนวันตุ ก, ๆๆๆๆก ต, ตุกฝนในสุดตุกตุกสองสามครั้งไอ้พวกคอเล่าทั้งหลายกระโดดไปคนละทิศคนละทางเขาบอกกลเลรียงเฮียนเหมือนกันเลยกลัวเลีียงขนาดกลางวันแสกแสกยังหลอกได้ไนอะ้ฝนในสุดก็เลยโดดออกไปคนละทิศทางพอทัานทายยกไอ้ที่เคยไปวัด อ, อีกคนหนึ่ง ไม่ใช่กลัวเหลียงมันฟื้นลหรือเนี่ยไปดูสิว่าแต่ก็ต่างต่างคนก็ต่างตัวที่แมันตายมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะจากนั้นกันเนี่ยนะเออถ้จะเอามือจอกจอบัจบจอบ้จองสายสายเอวกันเหมือนกับงูกินหางสมัยเป็นเด็กงูกินหางทำอย่างนั้นนะอ่ะเออจากนั้นก็นไปดูดูหัวหน้าทายกก็ไปเปิดเปิดดูเห็นตาปากผ ง, งับพผ ง, งับพผ ง, งับ โอ้โกูเลี้ยงไม่ตายเนี่ยก็แบบเลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาก็เลยตัดแต่ตราสันทั้งแข้งทั้งมือออกจากนั้นก็เอาน้ํามาหยอดใส่ปากจากนั้นเอาเข้าวต้มมาหยอดเนี่ยพอน้ําตกลงไปในคอท่้นนะกูเหลี้ยงก็เลยฟื้นขึ้นมาฮะเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาได้เนีจากนั้นมากูเหลี้ยงก็เลยบอกโอ้เออไปที่ไหนเขาถาม่ เดี๋ยวๆหายเหนื่อยสัก่อนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังจากนั้นมาเขาก็เลยเขียนเป็นตําราขึ้นมาเลยวะ่ากลัเลียงกลหลี้ยงตายแล้วไปปณะโลกตายไปแล้วไปปณะโลกกลับมาจากนั้นโกลัเลี้ยงเคยบอกว่ากจะไม่ทําอุก ร, รมอีกแล้วกะว่าเลี้ยงหมูทําไงเลี้ยงหมูกลัวเลี้ยงปล่อยหมูกลางคืนเดีวนั่นไปไม่ขายแล้วก็บวชอีกสามเดือนอีก พอจากนั้นทางบวชอีกสามเดือนนี่แหละจากนั้นก็หยุดทากรรมที่สิ่งที่มันไม่ดีหนี่แหละอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือในยุคนี้สมัยนี้เขาว่าตายแล้วไม่สุ่อันนี้คือยุคปัจจุบันที่เป็นตําราที่เขียนขึ้นมาว่าคนตายแล้วไม่สุ่ตายแล้วเกิดอีกอันนี้คือเป็นหนังสือที่ท่านเจพุนอุวาเลคุณอมปามายจาร์ที่ท่าน ได้เขียนเป็นแนวทางเอาไว้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกคณะเราทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนว่าในหลักของพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงอยากจะรู้ก็ให้นั่งภาวนาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจะโยงถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พราะพระเทวท่านเสด็จไปอยู่ในป่าโด่งถึงหปีไปศึกษาอยู่จุดงีวันที่ท่านได้ตัดชั้รู้ธรรมในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านทำอย่างไงท่านนั่งสัดสมาธทิศอันพพักไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้วาหายใจออก ในขณะนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อั จ, จดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินจิตของพระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์พระไทยของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์เกิดญาณทัศนะเกิดฌานญานณรัศนะและลึกชาติขนหลังได้จึงมีคำว่าปุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติขนหลังได้ในหลักของพระพุทธศาสนาจึงยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญหลักพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าคือให้นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบจิตใจให้รวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่กายคือนามัตครูปธรรมส่วนใจนั่นคือานามัธรรมนามธรรมกับรูปธรรมนามัธธรรมเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่รูปธรรม แต่คือร่างกายของเราแต่พระพุทธเจา้าในหลักของพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเรื่องนา ม, มาธรรมมากกว่ารู ป, ปรธรรมท่านกงยกเป็นพระบาลีว่มามโนปุพังคมาธรร ม, มามาโนเศรษามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจในี่หละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธจ <Okay. S 1> เจ้าเบื้องต้นอัตมภาพในยก เป็นพุทธภาสิตเบื้องต้นว่าขยะวยธรรมมาสังฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติอันนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพานในวันเดือนหกเพต น, นั้นพระองค์ได้สั่งเสียได้สั่งเป็นวาจาสุดท้ายกับพุทธบริษัทสีขององค์ด้วย พระ อ, องค์ตรัสว่าขยะวายะธรรมมาสร้างขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นพระ อ, องค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่กล่าวไม่พูดอะไรอีกต่อไปทำการปริณิพานยึงถือว่าคำวาจาของพระพุทธเจ้าคานี้เป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธ เป็นว า, าระที่พวกเราจะนํามาคิดนํามาพิจารณาไข่ควรไตรตรองด้วยเหตุและผลพระพุทธองค์สามสองสอนว่าร่างกายสังขารไม่เที่ยงอย่างที่อัตมภาพเรยว่าร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเกิดแก่เจ็บตายมีกับทุกท่านเพราะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ตรงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ตนอยาให้ขาดตกบกพ้องแต่ทำกุญญามความดีไหวพระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาดูแลครอบครัวอย่าให้ขาดตกบกพ้อ ง, ง, ส, ส, ออกกองส่วนประโยชน์คนอื่นอย่างองค์หลวงตาพวกเราที่ช่วยเหลือพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งไหนที่ท่านมีมาท่านก็ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ช่วยโรงพยาบาลโรงร่าโรงเรียนขนาดชัดพิการหมาพิการโรงพยาบาลหมาและท่านก็ช่วยไปหมด นี่ล่ะคือประโยชน์คนอื่นตรงตาท่านพาดำเนินมาแล้วขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตย์ใจจบทุกมูเหล่าก็ขอให้พวกเราปฏิบัติตนและดำเนินตามอง์ลรงตาพาดำเนินมาพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจแล็ขอให้พวกเราทุกท่านประกอบคุณงามความดีแล้วความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม